พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงโปรชนะหม่อมหลวงกิตินพงศ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 0 8ณวัดป่าบ้านตา จ, จังหวัดอุรดธานี การฟังธรรมตรวจทาผิดให้สบายทำความรู้สึกไว้จำพอใจ ธรรมาคาสังสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุง่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเอง จึงต้องอาศัยหลักธรรมขึ่นเป็นของคงที่เป็นเรื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นหมากฐานนี้เป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากหรือประมาณ ที่จะคิดแต่และสิ่งได้อย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผูจะคือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบฉบับเพื่อความเจริญมุ่งเรือนแต่หนอย่างนั้น หากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบฉมับแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยงไม่สะด็กการที่เราทุกทุกท่านในอุตสาห์มาจากสถานที่ไกล สละทั้งเรร่อเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตใจของตนได้พลีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทงนี้ผู้สแสดงจึงขอนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกทุกท่าน ไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวดและผู้เป็นบุบาปิทานี่ชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมกวรรู้เรื่องการได้การเสียและความหนักเบา ของแต่และสิ่งและสิที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความคล่งค้าต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตอนนั้น เป็นสิ่งที่แลกจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหยูแต่คาดคะนนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภทเราไม่อาจจะอย่างทราบความลึกซึ้ง ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพือให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวัาติธรรมที่ทรงตรัสไว้จะพ อ, อย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้แก่ความสงบเยือบเย็นใจด้วยวิธี ผลอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม่ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับลำดับไปธรรมะ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นท้าสิกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลาบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่า สิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นจุดทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องครัวพันให้จิจเตรับความลำบากลำคารหรือเอียงๆไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมา เรื่องครับภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีขึ้นเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับ ใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นค่าศึกต่อเรามาแล้ว และเคยทําการจีดฟางการดําเนินของเราเข้ามาแทรกภายในใจิตใจในขณะที่เราจะทําคือการอบรมจิตใจในเวลาหนงนั้ น, น, นแม้จะมีความยากความลําบากในการบําเพ็ญเราอยจะได้ถือความยากความลําบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอานาจเมื่อการฝ่าฝืนของเรา เพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียร พยายามอยู่เสมอความพยายามนั่นแหละเป็นทางที่จะให้เพิ่ ม, มพูนคุณงามความดีมีกําลังทั้งด้านความสงบเที่ยเย็นมีกําลังทังด้านปัญญาที่จะสามารถพิิจิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลําดับ แต่สถานที่บําเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนับกบวดแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดอเวศเป็นสถานที่สําขัดฉะนั้นการมวดเบื้องตน้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมู ล, ละเจนาสนะหาถึงความสงัดผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นจิตของประสาคต ย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟู้งเฟอเ้อเหื่อมกับปัจจัยทั้งหลายสถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวศและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับ การ ง, งานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่กอการดาเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นศากะยะบุตรยอมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนกิดเมื่อไม่มีสิ่งก่อควรมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอขาตธรรมแล้วย่อมจ ะ, สะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบ ซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวักขาดตอนตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีจิตการ ง, งานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบ เข้ามาเป็นขั้นขันความสงบมีมากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบําเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องผลิดผลคือความสุขความสบายขึ้นมา มีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดําเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดําเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาทิ่ปไตย ถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติท่านบรรณะสูงกับผู้มีชาติชัน้นบรรณาต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกันกบอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มี การทะเลาะเบาแฝงกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะ น, น, นั้นว่าอวัยวะนี่เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผูนึงหนึ่ ง, งเพราะสรุกความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียว เรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นมูเพื่อนหรือชาโลกเพื่อกันเป็นเช่นเดียวกับอวยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเขียนทิศเครื่องดำเนินแลบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไห้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมมะจริงเป็นของสำคัญที่จะซักพอกสิ่งที่แทรกสึงอยู่ภายในใจ อันเป็นเหตุให้กบกวนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับนันเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีทาเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บําเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอน สิ่งที่เป็นค่าศึกจาใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านดูที่ไหนขั้นก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลาพานไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความพุ่งเพ้อเหือเหิมต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัดจจัยทั่วๆไปมีแต่หน้าที่ที่จะบําเพ็ญ จิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยลำพังตนเองก็รีบเข้าเป้าและทูล ถ, ถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับ คำชี้แจงจากองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็ ร, รีบรีบตัวเข้าหาสู่เข้าหาความสงบสงับบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทําเช่นนี้อยู่เสมอวันคือปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออดธทําอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหรนะ่นัก ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทั้งลองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพ้อยที่จะคอยเสื่อมสูญอันตราทานไปตลอดสาพางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัดใจทุกวันนี้ก็ยอมจะมีความแปรปวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะ มัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามสเสด็จองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญา ได้โดยครอบมูลเมื่อเด็กก้าออกจากสมาธิคือความสงบใจกอรีเปล่งขนขวายพินิจพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดการทั้งสภาวะธรรมภายในได้แก่กายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งละสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจรารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้น<ม>ก็ย่อมมีความชำนิชำนาญ สามารถรู้รอบได้ทั้งภายนอกและภายในด้วยอํานาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้แกความเพียร น, นั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลํำดับลํำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ทำเครื่องท่ามสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุด ใบไม้ล่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ตีกที่แวะที่โคดที่โค้งก็นํามาเป็นธรรมเทศนาเรื่องท่ำสอนตอนเองทางนั้นจิต ค, คิดออกวาละลายเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่น เรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีเฮเลซึ่งหมักหมมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจนม้จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดคน้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตน ก็ยอดิเลตเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลําดับลําดับเห็นทางพ้นทุกขประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นฆาศึกแก่ใจของตนออกได้เป็นลําดับลําดับด้วยการพยายาาิจารณา ความเป็นมาของของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในมัตตาสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลําดับลําดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นธาตุชั้นบรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณา และสิ่งที่จะให้ก่อกําเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่ที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากหลักประโยคปัจจุบัน ซึ่งกำหนดพิจารณานและรู้กันอยู่เวลานี้ฉะนั้นการขุดค้นเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งพบแห่งชาติท่านจึงไม่มีการยุดยังขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสัมพันธ์ก็คือเรื่องของใจคามาเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุ คือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรู ป, ปรขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกาย หรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจำหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ซอแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องขลักดันออกมาทั้งนั้น จนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลักดันอาการเหล่านี้ให้แสดงตัวออกมาด้วยพร้อมทั้งการรู้เท่าทันและถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าสึกทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิง น, นั่นท่านเรียกว่าท่านผู้ตัดพบตัดชาติได้จะตัดเชื้อแห่งความเกิด าในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเมื่อตัดเชื่อเหล่านี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทราบชาัดว่าพบไม่มีในตนคือทราบชาัดว่าพบไม่มีในใจเรื่องพบก็คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอืน่นใดชาตินั่นเป็นผลของพบคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นตน้น ท่านเรียกว่าชาติส่วนภพนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นภพเมื่อแก้ได้แล้วภพก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งคุตการว่าวุจิตังกรมจารียังกระตังกรณียังเชกิตในพรมจรก หรือใจกิจในพระศาสนาจิตที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียร น, นั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิธตายาติประชานาติจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงจุดนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตติสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบประเภทที่สิน้นเรื่องทั้งหลายนี้เป็นความสงบตายตัวเป็นความสงบโดยไม่มีอะไรมาสั่งส่งเสริมให้สงบความเป็นจิตที่เป็นสมาธิยังมีเครื่องส่งเสริมให้เป็นสมาธิแต่ความสงบในหลักธรรมชาติที่หมดเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าสันติโดยสมบูรณ์ จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย้อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรามที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่มจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใด จะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วทั้งไปดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตน ชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานกว่าดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดี ในคำที่ว่าสันติโรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการกระครับกระคอง จากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องทำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำหนับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้ว สันติที่กราวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วไปก็าตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำมาสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้ว นี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิทีโ่กโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไปว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้น อย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าหดภาระส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้อง ท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้ชีวิตตัดแล้วซึ่งความกังวลรุ่งเหว่งหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันละหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่อง พิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นมาเป็นมานานเท่าไรก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ตรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเองไปทางโน้นเองไปทางนี้ความเองไปเอนมาของจิจประเภทนี้เรียกว่าความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องสาะแสวงหาเครื่องบำรุง แต่เพราะความไม่รอบครอบในการแสดงหาของคนจึงประสบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้า ได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้น จะไม่ใช่สมบัติของไข่แต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นๆั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลาบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นค่าสึกต่อกันมันดังคำหาเวลาว่างไม่ม ไอเรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศมื้อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใด ไ, ไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่ามื้อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดลาทําความยุ่งเหยิงแก่อิจการงานหรือห น, หน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลมื้อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนไหนมา แต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลําบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเว ล, เวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเมื่อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับถมตัวเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบําเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก่็นําอุปสรคเข้ามากีดขวางเสีย เฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองคำไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความว่างอยู่แล้วเหตุใดความไม่ว่างจึงมาขัดข้องกับเรานอกจากเราจะเป็นผู้แสวงหาความไม่ไม่ว่างมาเป็นอุปสรรคแก่ตนใส้เองเท่านั้นก็ไม่มีทางอื่น หรือไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำความยุ่งเหยิงนรืขัดข้องให้เราการเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาลเขายังมียุติกันได้ด้วยการตัดสินของผู้ยิบภาษาไม่ศาลใดก็ต้องศาลหนึ่งแต่การเกิดเรื่องเกิดราวกับความไม่ว่างของเหล่านี้รู้สึกจะวันยังคําคืนยังดุง่ตลอดปีตลอดเดือน ตลอดเวลาและทั่วๆไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใดถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเว ล, เวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประ ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำต่องสอนของพระ พ, พุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นสมอมแล้วเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนในสัตว์ทั่วไป ว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะ ดับสลายลงไปแล้วไม่ว่าบุคคลไม่ว่าตับไม่ว่าต้นไม้ผูกอดิง่งไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าวัดมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองมันจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นไหนเลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็ เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนึงนั่นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบําเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญ าในจิตก่เพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันต่างหาก ว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันที่เป็นส่วนผสมปกครุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุดืนเท่านั้นเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วัน เป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ใหปรากฏอยู่ฉะนั้นจิต จ, จึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี่ไปเสียอย่างพระองค์ท่าน จิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลก ท, ทั้งทๆที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันกาลังคลองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมติทั้งนั้น จิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขังจะเป็นสาวพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันได้สลายลงไปแล้วหรือแต่ธรรมชาติตนล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานเช่นเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันอยู่หรือจะผ่านขันไปแล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันหรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแต่กระจัดกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้น นี่อะที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วๆไปทั้งทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุธทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้น แต่เป็นวิสุที่ทําอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจแต่การแสวงหาสมบัติที่จะ เป็นประโยชน์แก่ถาดขันและจิตใจให้รับความสะดวกสมายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับ จ, จิตใจอย่าให้นำเข้ามาเป็นคาสึกของใจ และเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกชำ้ำหรือกลายเป็นบอยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลายไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจ แสดงํำก็เห็นว่าสมควรเวลาจิงขอริษมเวลาเพียงตง